50 languages. สี่สที่ไหนเยลลิเดสำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะปราวัสีมาฮิติเคนทราเยลลิเด คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะนันเกนกรดนักเชกโดวบิาจองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะอิลลีวนดูโคทดีอนโน่ไดิริสโลอางุตตเดยเมืองเก่าอยู่ที่ไหนนการดาฮลเลยบากาเยลลดวิหารอยู่ที่ไหน อิลลี่ชร์ชอิลลีเดย์พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหนอิลลี่วัตุสังเคราะห์อะไรอลลี่เดซื้อสแตมม์ได้ที่ไหนอันเ ช, ช่ชีติการันโนอิลลี่คอนโดคอนโดบุซื้อดอกไม้ได้ที่ไหนฮูบูกาโอิลลี่คอนโดคอนโดบ ซื้อตั๋วได้ที่ไหนประหยัดาได้ตั๋วทุกเรื่องนู้ยี่ลี่คนดูคนลบดทาเรืออยู่ที่ไหนยี่ลี่บันดารูยี่ลเดตลาดอยู่ที่ไหนยีลี่มารุกัตเตยี่ลี่เดปราสาทอยู่ที่ไหนยิลลี่โคเตยี่ล d ่ การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่เยสตุหติเก้พรวัสาพรารมบวาุตตเดการพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่เยสตุหติเก้พรวาสามุกิุตตเดการพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่พรวาสายสตุหตูนเดยุตเด ดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาเยอรมันนั่นเองว่า German มาตนาดัวมาร์กดรชีเบกดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาอิตาเลียนนั่นเองวาา Italian มาตนาดัวมาร์กดรชีเบกดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาฝรั่งเศส นั่นเองวบบ่าเฟรนช์มาตาหน้าด้วว่ามาร์ค